ในข้อ26กดูก่อนพิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่ดังนี้พระโพธิสัตว์ผู้ประูต์แล้วได้ครู่หนึ่งประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันสม่ำเสมอผินประพักไปด้านทิศอุดรเสด็จดำเนินไปได้เจ็ดเก้าและเมื่อฝูงเทพพยายดากั้นสเสวตฉัตรตามเสด็จอยู่พระองค์ก็เลี้ยวแลดูทั่วทุกทิศแปลงวาจาคือแปลงอาสพิวาจาว่า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 บัดนี้พบใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเกิดในคันเกิดในไข่เกิดใน ข, าในข้าวคลาหรือจะไปเกิดเป็นโอปปาติกะไปแสดงตนณพบใดพบหนึ่งหลังจากปรินิพานแล้วไม่มีอีกต่อไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ที่พระโพธิสัตว์เป่งอาสภิวาจาเนี่นะในอัตถคถากล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่าบทว่าสัมปติชาโตคือประสูตรได้ครู่หนึ่ง น, นะ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 เมื่อเทวดากั้นเวตาฉัตรที่ตามเสด็จอยู่ในบทนี้ยกตัวอย่างว่าสเวตฉัตรเนี่ยนะที่จริงแล้วเครื่องเครื่องราชกุฏพันคือเรียกว่าเครื่องแต่งองค์ทรงกษัตริย์เนี่ยจะต้องครบห้าแต่นี้ยกมาเฉพาะฉัตรที่จริงแล้วหมายถึงพระขันคือดาบเป็นต้นนั่นเองที่เป็นบริวารของฉัตรบทว่าในเบญจราชกุฏพันเนี่ยนะก็คืออะไรฉัตร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 อุดอรอุตระเนี่ยแปลว่าหมายว่ามันสูงมันพ้นอ่ะนะมันพ้นจากอย่างอื่นหมดพระองค์ก็บ่ายพระพักไปเดินไปเจ็ดเก้าบทว่าอาศพิงแปลว่าสูงสุดเนี่ยนะอาศพิวาจาก็วาจ า, า, จาที่สูงสุดเป็นวาจาที่แหม่ยิ่ยงก็เรียกว่ายิ่ยงกว่าเสือคำรามอีกเหมงนันเถอะยิ่งกเหมือนกับบรลลือสีหนาฏเหมือนนเป็นวาจาที่ประเสริฐสูงสุดว่าอัคโค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 อายะมันตินาิชาณิปุณัโวเนี่ยนะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่สุดของการเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นบัด ต, ต่อไปนะพบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการมะพบรูปประพบอรูปประพบไม่มีอีกสำหรับพระองค์ต่อไ ป, ปที่สุดแห่งพบแล้วพบใหม่ไม่มีอีกแล้วก็มีขณะที่พระองค์ประสูตรนั้นก็มีบุพนิมิตเนี่ยนะบุพนิมิตเครื่องหมายบอกลาอย่างในตอนนั้น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 วิรยิยะจิตตะและวิมังสาคุณธรรมทั้ง4ประการเหล่านี้เป็นบาตรให้พระองค์นั้นประสบความสําเร็จเนี่ยนะถ้าเบื้องต้นเขาเรียกว่าถ้าเบื้องถ้าโลกิยาเขาเรียกว่าอธิบดีถ้าโลกุตระเขาเรียกว่าอิทิบาทม ง, งั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็บ่ายพระพักหันไปทางทิศอุดรหรือทิศเหนืออุดรก็อย่าลืมว่าโลกุตระนะ เป็นการเสด็จครอบงำปราบปรามมหาชนแบบว่าสุดยอดครอบงำคนที่อยู่สูงกว่าจึงจะครอบงำคนที่อยู่ระดับล่างกว่านะบทว่าเสด็จย่างพระบาทเจ็ดเก้าอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้รัตนะแก้วอันประเสริฐคือพ่ชงเจ็ดเก้าที่หนึ่งสติสัมพ่ชงนะนะประกาศเหมือนว่าเก้าที่หนึ่งเหมือนสติสัมพ่ชงเก้าที่สองเหมือน ธรรมวิจยะสัมโพชฌงก้าที่สวิริยะสัมโพชฌงก้าที่สี่ปัสสัตทิปีติสัมโพชฌงก้าที่ห้าปัสัตธิเก้าที่หสมาธิและเก้าสุดท้ายก็อุเบขาสัมโพชฌงก์เพราะการเก้าไปเก้าไปทิศเหนือที่เหนือหมายถึงโลกุตระเนี่ยนะทิ่เหนือหมายถึงโลกุตระการที่จะแทงตลอดโลกุตระเนี่ยถ้าไม่ปฏิบัติตามโพชฌงก์แล้วเป็นไปได้ไหมตอนแรกก่อนพระองค์ปดิสถานดํารงมั่นอยู่ด้วยสติปัอิทธิบาสี นำเนินไปตามโพชชงจึงได้ตรัสรู้เสร็จแล้วคำว่ามีสเวตฉัตรเวตฉัตรก็คือฉัตรสีขาวที่เป็นทิพที่มากั้นเนี่ยประกาศว่าพระองค์นี้ได้ฉัตรอันประเสริฐคือวิมุตติวิมุตติอะไรอรหัตตผลวิมุตตินั่นเองก็ต้องได้ระดับอรหัตตผลที่เป็นเหมือนกับรม่มที่ปกปิดดูแลได้อย่างดีส่วนการได้ราชกุกุตภันห้าเนี่ยเป็นบุพนิมิตแห่งการหลุดพ้นด้วยวิมุตห้า วิมุตหาก็คือตระทางข้าวิมุตต์วิขัมพนาวิมุตต์สมุเฉทวิมุตติปฏิปัสสทิวิมุตต์และนิสรณวิมุตต์ตระทางค้าวิมุตต์เป็นวิปัสนาวิขัมพนาวิมุตต์เป็นสมถทถ้าตะทางคาวิมุตต์วิขัมพนาวิมุตต์ผนึกกําลังประชมเคียงคู่กันก็เป็นสมุเฉทวิมุตต์คืออริยมรรคผลแห่งสมุเฉทวิมุตต์คืออริยผลทั้งหลายอารมณ์ของอริยมรรคอริยผลและเป้าหมายแห่งการเจริญ วิคัมพนาวิมุตต์แต่ทางเวิมุตต์ก็คือนิสระนะวิมุตต์คือพระนิพพานนั่นเองเพันการที่มีเครื่องราชกุกขุดพันเนี่ยนะหรือว่าองค์ประกอบของพระราชาที่จะอภิเสกเนี่ยก็หมายถึงนิมุติการหลุดพ้นทั้งห้าประการของพระองค์เนี่ยนะหลุดพ้นจากวิปราชหลุดพ้นจากนิวรหลุดพ้นจากสังขารธรรมหลุดพ้นจากสังคตธรรมหลุดพ้นจากวัตตะนั่นเอง ส่วนการเหลียวดูเลการเหลียวดูทิศทั้งหมดเนี่ยนะทั้งสิบทิศอันนี้เป็นการได้อนาวรณญาณเป็นญาณที่ไม่ติดขัดนะนะอย่างเหมือนอย่างว่าพอคลอดออกมาพับดูหน้าคำว่าดูทิศทั้งหน้าทิศทั้างซ้ายข้างขวาทิศเฉียงเฉียงทิศบนทิศล่างดูอย่างไม่ติดขัดเนี่ยนะชันใดอันนี้ก็แปลว่าอนาวรณญาณพระองค์มียาณที่ไม่ติดขัดในการสามนะมียาณที่ไม่ติดขัดปรารถนาจะรู้ประสงค์จะรู้ ก็สามารถที่จะรู้ได้อย่างทุกอย่างตามพุทธประสงค์ตามสมความประสงค์ส่วนการเปล่งอาสพิวาจาเนี่ยนะเปล่งอาสพิวาจาวาจาที่ประเสริฐอนะเปรียบเหมือนอะไรเหมือนโคที่ที่าาร้องอันนะอาสพิอาสภพะหมายถึงโคโคตัวประเสริฐที่ร้องอนนะโคตัวประเสริฐที่ร้องฉันใดการที่เปล่งอาสพิวาจานั้นเป็นเครื่องหมายแห่งการเป็นไปแห่งพระธรรมจักรที่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 แปลงวาจาอันนั้นเนี่ยเป็นการว่าพระองค์ได้ประกาศพระธรรมจากแน่นอนก็คือประกาศอริยสัจธรรมประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ดื่มอมะตะธรรมส่วนบทที่แปลงสีหานาฏว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเนี่ยนะพบใหม่ไม่มีต่อไปอันนี้ก็หมายถึงว่าพระองค์นั้นจะได้อนุปาทิเสสนิพานแปลว่าทิ้งรูอ่าทิ้งตานี้แล้วไม่ถือเอาดวงตาอันใหม่ ทิ้งหูแล้วก็ไม่ถือเอาหูอันใหม่ทิ้งจมูกไม่ถือเอาจมูกใหม่ทิ้งลิ้นทิ้งร่างกายทิ้งปฏิจุติจิตแล้วไม่ถือเอาปฏิสนธิอันใหม่อีกต่อไปนนะหรือทิ้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วไม่ถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใหม่ทิ้งขันท่าอายตนะแล้วไม่ถือเอาขันท่าอายตนะ อีกต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นอนุปาที่เสสานิพานเป็นการดับโดยไม่เหลือวิบากและกรรมมาชรูปอีกต่อไปส่วนว่าอันนี้ยกตัวอย่างมาว่าเป็นเครื่องหมายที่ปรากฏชัดเจนตามพระสูตรส่วนที่ไม่ได้ยกมานะที่ที่ไม่ไดเอามาแสดงในพระสูตรก็มีอธิบายเพิ่มเติมว่าจริงอยู่ในวันพระมหาบุรุษประสูนย์หมื่นโลกธาตุนั้นเกิดความหวั่นไหวขึ้น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 สติก็ตั้งมั่นได้ไม่เบลอไม่เลอะเรือนไม่หลงลืมเรือที่เล่นไปต่างประเทศก็กลับท่าได้สะดวกรัตนะที่ตั้งอยู่บนอากาศหรือตั้งอยู่บนพื้นดินรัตนะเข้าก็เพชรพลอยเป็นต้นเนี่ยนะก็ส่องแสงด้วยความยิ่งใหญ่ของตนส่องประกายหมดเลยคนมีเวรก็มีเมตตาจิตต่อกัน น, นะก็มีเมตตาปรารถนาความสุขให้แก่กันไฟในอเวจีนะรกก็ดับ นะนะก็ชั่วครู่นะไม่ใช่หมเพราะว่าดับตลอดไปนะดับชั่วครู่หนึ่งเหมือนกันชั่วไหนชั่วไฟอะไรนะชั่วฟ้าเลบมันนะเหมือนกั น, กนแสงสว่างในโลกัาตาณรกก็เกิดขึ้นนะก็แสงสว่างถึงโลกัาตาณรกน้ําในแม่น้ําก็ไม่ไหลน้ําในทะเลปกติก็อะไรเข็มนะก็กลายเป็นน้ําที่มีรสหวานลมก็ไม่พัดนกที่บินใบปนอากาศ ที่อยู่บนภูเขาและต้นไม้ก็ยตกลงมาบนพื้นดินเรียกว่าพวกนกที่เคยปกติอยู่ที่สูงนะลงมาอยู่ที่ล่างหมดเลยพระจันทร์ก็ส่องสว่างยิ่งนะักพระอาทิตย์ไม่ร้อนไม่เย็นปราศจากมนทินได้สมบูรณ์ตามฤดูพวกเทวดาประดิษฐานอยู่ณนะประตูวิมานของตนของตนเล่นอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานด้วยการปรบมือผิวปากโบกภาพหมายว่าทุกคนน่เชียกันหมดเลยดีใจกันมาก พลันสนุกมากแล้วนะมีความสุขแม้ฝนจากทิศทั้งสียก็ได้ตกลงมาความหิวความกระหายก็ไม่ได้บีบคั้นมหาชนประตูและหน้าต่างทั้งหลายก็เปิดเองได้ไม้ดอกไม้ผลก็ออกดอกออกผลหมื่นโลกกระธาตก็ได้มีธงดอกไม้เป็นอันเดียวกันแสดงว่าดอกไม้นี่บาลสะพังนะเครื่องไม้เหล่านี้มันเป็นตัวบอกนะเป็นตัวบอกหมดเลยว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนน